ศาสตราสถานที่ควรไปแร็แลว่าพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่เคยประสูติหน้าที่ตรงนี้เคยตัสจรู้หน้าที่ตรงนี้เคยทําธรรมจักให้เป็นไปหน้าที่ตรงนี้แล้วก็เคยเสด็จสดับดับขันทัปปิพิพานเคยทรงใช้สอยบริโภคสถานที่เหล่านี้ให้เกิดความสะดุ้งสะเทือนในยานเขาเรียกสังเวคยานนะยานปัญญาที่ไปพิจารณาแล้ว สะดุ้งสะเทือนสะดุ้งสะเทือนต่อความเป็นไปของสังขารทั้งหลายด้วยแม้พระศ า, าสดาผู้มีพระวรากายประดุดดังเพชรมีมหาปุริสระขนาดสามสิบสองและอนุพยัญชนะแปดสิบยังปรินิพานได้เห็นไหมแล้วขันของเราซึ่งมาจากบุญที่ไม่แข็งแรงเลยเนี่ย มาจากทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลที่อ่อนแอมากๆเราะบางมากฉะนั้นเราควรเล่งขนขวายและอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ใครควรพิจารณาอ้ามีใครจะถามเลยเข้าใจนะถูกมีไหม อ, อ, อ้าวว่อ๋อ อ๋อย อ, อ, อ, อ, อย่างนี้ถ้าอย่างนี้กรณีที่บอกว่าพิจารณาเหตุแล้วผลเนี่ยนะเอาจะหยีไปอะไรยกน่าจะหยีบอะไ ร, ไะะไรในกรณีที่จะให้พิจารณาเอาเหตุผลของอะไรเอาศีลเอาตัวปัญญาไหมยนะเออถ้าพิจารณาในกรณีว่า สภาพของปัญญาเนีถ้ามาพิจารณาว่าเออถ้าเราพิจารณาถึงสภาพของปัญญาเนี่ยมีหลายในยะเนะเรียกว่าอมโมหะก็ได้ปัญญีสีก็ได้ก็คือปัญญาเนี่ม่จะกคำว่าอมโมหะอมโมโหนี่เนี่ยยถาสภาวะปฏิรักษโนไป็นต้นเาบอกว่าสภาวะธรรม สภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงนั้นในย่าหนึ่งนาะชนิดในย่าหนึ่งก็คือสภาพว่าธรรมที่รู้แจ้งสภาว่ธรรมคือสภาวะลักษณะและสามมันเยลักษณะแต่ถ้าสภาพปัญญาเกิดขึ้นมันจะรู้ยังไงคำว่ารู้แจ้งสภาว่ธรรมเนี่ยนะรู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงหรือว่าสภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ของปรมัตถธรรมประดุดนักแม่นธนูยิงตรงเป้าเนี่ยหรือ มองในลักษณะว่าสภาวธรรมที่รู้แจ้งปรมัตถ์หรือสภาวธรรมคือสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะนี้คือสภาวธรร ม, ม, รรมใช่ไหมถ้าเราจะมาพิจารณาตัวปัญญาเนี่ยตัวปัญญาทั้งหลายเนี่ยลักษณะของปัญญาก็คือถ้าปัญญาเกิดขึ้นถามว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้เพราะลักต้องรู้จากลักษณะของปัญญาว่ามีอย่างนี้ปัญญานั้นเป็นไปกับกุศล แต่เวลาเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีรักนะว่าสภาพธรรมที่รู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงคำว่ารู้แจ้งอารมณ์ตามความเป็นจริงคือไปรู้อะไรรู้สภาวะลักษณะเช่นรู้ว่าถ้าพูดถึงทานก็รู้ลักษณะของทานทานมีสภาวะมีลักษณะคือการให้เป็นลักษณะใช่ไหมมีการสละมีการให้ทีนี้พอพูดถึงทาน ลักษณะของทานเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเอาทานนี้เป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมที่เรียนมาแล้วศึกษามาแล้วทานนี้เป็นนามธรรมอันแรกใช่ไหมคือเจตนาทานกะโลภะทานวิรติทานนี้เป็นนามธรรมถ้าวัตถุทานนี้เป็นรูปธรรมดังนั้นก็จะมองว่านี่ไงเข้าใจแล้ว ปัญญาก็ไปเจาะเข้าใจเลยว่โอ้ลักษณะของทานกุศลเนี่ยมีสภาวะลักษณะโดยความว่าลักษณะของเขาคือมีลักษณะการสละการให้ใช่ไหมวัตถุท า, านก็คือเป็นสิ่งของที่ควรให้อย่างที่บอกว่ามองหนังสือเล่มนี้เราจะมองเป็นวัตถุกรรมหรือวัตถุทาน นะถ้ามองเป็นวัตถุกามเป็นทานไหมถ้ามองเป็นวัตถุทานเป็นเป็นทานเห็ไหแต่อันนี้ไม่ใช่นามแต่เป็นวัตถุเป็นรูปแต่การที่จะได้จะเข้าใจวัตถุตัวนี้ได้ต้องมีน้มที่จะสละไหมต้องมีนามมาทำคือจิตที่คิดจะให้เจตนาที่คิดจะให้ นอกจากเจตนาที่เป็นคิดจะให้ขับนินว่าเจตนาที่เกิดกับโลภะคิดให้ได้ไหมได้หาเสียงอ่ะสิอาทิเราเอามาให้โยมเนี่ยามาหวังอ่ะแต่การให้อย่างนี้เป็นทานหรือไม่ทั้งๆ ท, ที่มีวัตถุอยู่เพราะไม่ได้มองว่าเป็นวัตถุทานแต่มองเป็นวัตถุกราม ว, ว่าให้หนึ่งจะได้มาสองเดี๋ยวเอาอมาก็จะสร้างวัดออกเหรียญอะไรตัวเนี้ยจ้าเข้าใจนะ ใช่ไหพอมาคิดว่าหนึ่งเหรียญมันจะได้มาเท่าไหร่อันนี้เป็นทานไหมเอาไปคิดเองนะเดี๋ยวนี้อันนี้บอกว่าอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้ขอภัยนะตะเลิดไปนิดนึงเนี่ยก็ห้ามกระทบทนและผู้อื่นไม่ดีเดี๋ยวเป็นบาปไอตรงนี้นะคือคือตรงเนี้ยถ้าเป็นวัตถุทานถ้าเป็นวัตถุกรรมเนี่ยมันจะคิดเพื่อผลประโยชน์แต่ถ้าเป็นวัตถุทานเนี่ยมันจะคิดเพื่อจะ สลแต่มีนามธรรมที่ฉลปัญญาเนี่นแหละเข้าไปรู้ตัวนี้รู้สภาวะลักษณะคือลักษณะของฐานทั้งที่เป็นนามะนามธรรมที่เป็นทานทั้งที่เป็นรูปธรรมที่เป็นทานมีชัดเจนตรงนี้แน่นี่คือปัญญาเอากิจกิจของปัญญานอกจากไปรู้สภาวะลักษณะแล้วใช่ไหมต้องรู้กิจกิจของ จิตของทานทานในากุศลเนี่ยกิจของเขาคืออะไรกิตของทานในากุศลหน้าที่การงานเมื่อทานในเจตนาเกิดขึ้นเมื่อโลภะเจตนาเมื่อโลภะทานเกิดขึ้นหน้าที่ของทานการงานของทานจิตที่เป็นทานเกิดขึ้นแล้วเขาไปทําลายอะไรทําลายโลภะ เมื่อทำลายโลพาเนี่ยตัวมัชชริยะชื่อว่าถูกทำลายได้ไหมเพราะมัชชริยะเกิดกับโลพาหรือโทสะไม่เกิดกับโทสะเมื่อวันก่อนมายังจำท่านอาจารย์มีชัยบอกเราได้เลยทำไมทำลายโลพากระทบถึงโทสะเพราะเรายึดสิ่งใดเราจะหวงสิ่งนั้นไหม เราเครียดเมื่อจะคนอื่นจะเอาสิ่งนั้นไปใช่ไหมนั่นเราจะตันีสิ่งนั้นยึดสิ่งไหนเราวจะตัหนีสิ่งนั้ น, ไ, น, ะะ น, น, นไอ้ตันีเป็นโทสะหรือเป็นโลภะเป็นโทสะนั้นสภาพของโทสะนะที่เราเราตันหนีแต่ไม่ทานเนี่ยทําลายโลภะกระทบถึงตัหนีในโทสะด้วยนิกิจอาการปรากฏ อาการปรากฏในยานปัญญาคนมีปัญญาลักษณะปัญญาจะไปรู้อาการปรากฏของฐานยังไงอาการปรากฏเป็นยังไงทำไมจึงให้เพราะความเข้าใจในยานปัญญาของของบัณฑิต ท, ทั้งหลายเพราะให้แล้วมีภาวะวิภวะสัมปัตปติสัมปติปัจจุปฐานามีความสมบูรณ์อย่างพบชาต ตาก็สมบูรณ์หูก็สมบูรณ์จ้มูกปากลิ้นกายใจสมบูรณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมก็สมบูรณ์เราเห็นความสมบูรณ์ตรงนี้เราจึงให้ใช่ไหมเราให้แต่การให้เพราะเราทําลายโลภะไว้แล้วเมื่อได้ผลมาเราจึงไม่ยึดติดเมื่อได้มามากก็น้อมที่จะสละต่อไปเข้าใจไหม ส่วนวิภาวะนั่นคือความความสิ้นหินเรารู้ว่าการสละอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความสิ้นพบใช่อาการปรากฏอย่างนี้เกิดในยานปัญญาไหมถ้าไม่มีปัญญาอาการปรากฏของทานจะเกิดไหมอาการปรากฏไม่ใช่ผลปรากฏถ้าผลปรากฏเนี่ย ถ้าผลปรากฏเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้ผลมันก็ปรากฏเช่นวิภากษาเนี่ยได้ฐานนะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ได้สมบัติได้บ้านไม่รู้ไม่เข้าไปรู้มันหรอกมันม า, าอย่างไรไม่เข้าใจทานมานสมมติในอดีตอันนั้นผลมันปรากฏแล้วเพราะทานมันทำกิจเรียบร้อยแล้วผลก็ปรากฏให้เห็นแต่เราไม่เข้าไปเจาะลึก แต่ในยานปัญญาของผู้รู้ทั้งหลายก็ไปรู้เห็นโอ้ที่ได้ผลปรากฏอย่างนี้เพราะผลของทานนะให้ผลแล้วทานให้ผลท่านพุทธี้แล้วจึงได้ตาหูจมูกเดินกายใจที่บริบูรณ์จึงได้สิ่งแวดล้อมที่บริบูรณ์ทานอย่างนี้ต้องทานที่มีศีลกำกับแน่นอนเข้าใจอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าอาการปรากฏในยานปัญญาของบัณฑิตเขาเรียกว่าอาการลปัจจุปธ ป, จจาาปัจจุปอากาลปัจจุปทานนะไม่ใช่ผลปัจจุปทานนะถ้าผลปัจจุปทานะนะเน่ะเราจะรู้หรือไม่รู้ว่าผลก็ปรากฏคนให้อะไรมีผลนั่นนั้นแหละบางคนไม่รู้เลยนะเขาไม่รู้หรอกทาไมเขาเกิดมาไม่รวยง่ายเล้เกิดบางคนเนี่ยแค่นั่งกระดิกนิ้วมือก็นั่งนับเงินเล่นอยู่วันๆน่่าเบื่อหน้าเบือเบ่อเนี่ยนะจะมาใครเบื่อไหมการรวยเนี่ย ยอมเบื่อแล้วทีเนี่ยเขาเรียกว่าผลปรากฏแต่เขาไม่รู้มายัางไงแต่ถ้าคนมีญาณปัญญาถ้าลักษณะของปัญญาเกิดเนี่ยเขาก็รู้นี่คือผลผลปรากฏเหตุคือเหตุคืออะไรเหตุเหตุหของทานทุกข์สเพราะอะไรสัทธยาทัฏฐานนั่งมีศรัทธานในต่อสัทธยวัตถุเป็นตปทัฏฐานเป็นเหตุไร ทำไมผลของทานเขาถึงปรากฏาเขามีศรัทธาไงเขามีศรัทธาบริจาคมีศรัทธาที่จะให้ไงผลก็เลยปรากฏทําให้เขามีทั้งอัตภาพที่บริบูรณ์และตั้งสิ่งแวดล้อมที่บริบูรณ์ใช่ไหมเพราะผลปรากฏเขาชัดเลยแล้วทำที่ทานอกุศลทําลายอ่ะประหารได้แก่อะไรทานกุศลจะประหานอะไรประหารโลภะใช่ไหมทำที่ทานกุศลอนุญาตให้เกิดขึ้นได้แก่อะไร อะอะอะโลภทานไงเมื่อยิ่งให้มากขึ้นอโลภทานก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นไงฟังแล้วชื่นใจเลยอะแล้วก็อะไรนะอุปนิสัยทานกุศลเป็นอุปนิสัยเนี่ยเป็นเป็นอุปาธให้กำมักต่ำพ้นต่ำถามเกิดขึ้นนี่ปัญญาไปด้วยนั้นลักษณะของถ้ากิรลักษณะของปัญญาก็คือรู้แจ้งสภาวะลักษณะ และปัญญานอกจากนั้นยังรู้สามัญลักษณะไหมรู้อันนี้จังทุกขังอนัตตาด้วยจิตของปัญญากําจัดความมืดไหมกํ <c oughs> าจัดความมืดอะไรปิดบังอะไรอ่ะความมืดพวกทุกข <c oughs> ารู้ไหมว่าอะไรปิดบังปัญญาเน อ, อโมหะปิดบงังโมหะเป็นธรรมชาติที่ไม่เห็นอะไร ไม่เห็นสภาวะลักษณะโมหะไม่เห็นสัไม่เห็นลักษณะของทานไม่เห็นกิจหน้าที่ของทานไม่เห็นอาการปรากฏของทานไม่เห็นเหตุใกล้ของทานไม่เห็นทานนกุศลทำลายอะไรทำลายโลภะไม่เห็นทานกุศลอนุญาตให้อโลภะเกิดไม่เห็นทานนกุศลนั่นเป็นปัจจัยให้ได้มรรคต่ำสามผลต่ำสามเนี่ยโมหะปิดหมดเลยทำให้ไม่เห็น ถ้าเห็นป่านนี้เราให้ทานถูกมาตั้งนานแล้วนี่ไหมโมหะมันปิดเลยมันปิดสภาวรลักษณะของฐานอากุศลเข้าใจยังโมหะมันจะปิดสนิทเลยปิดมืดมานานแล้วอตอนนี้โมหะถูกทําลายจากการฟังอย่างทาลายแบบแผลวําล า, ายให้เต็มที่ได้ไม้มต้องทําลายให้เต็มที่เลย สุรานยังไม่สมบูรณ์ได้อันนี้ได้แค่ลักษณะไงแต่ยังไม่อย่างลงสู่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมใช่ใช่รู้อาการปรากฏผู้เหตุใกล้ในนใตรงนี้ ตรงนี้คืออย่างนี้นะว่าตอนนี้โมหะที่ปิดบังสภาวะลักษณะได้ถูกเปิดออกมาแล้วแต่ยังมีโมหะอีกชั้นหนึ่งที่ยังไปปิดบังอ น, นิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะแล้วก็ความไม่งามใช่ไหมเนี่ยตอนนี้สายมันยลักษณ์สามันยลักษณะยังไม่ถูกเปิดเพราะ่ายตอนนี้โมหะถูกเปิด เพราะปัญญาไปเจาะสภาวลักษณะของสภาวธรรมได้แล้วแต่ถ้าจะเดินวิปัศนาต่อใช่ต้องเอาทานากุศลมาวิจัยต่อว่าเจตนาทานที่เป็นไป ก, กุศลอะโลภาทานที่เป็นไ บ, บกุศลกลุ่มจิตที่คิดจะให้ทั้งหลายเที่ยงไหม วัตถุทานที่เราสละให้ที่เป็นสรุปเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นรถเป็นผ้าเที่ยงไหมยห็นไหมทั้งตัวเจตนาที่เป็นกุศลและวัตถุทานไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแ ป, ปรปลวนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นใช่ของเราไหมไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราโดยไม่ใช่ของของเรา ถ้าพิจารณาในรักขณะนี้เห็นอะไรเปิดเผยอะไรขึ้นมาอีกเปิดเผยไตรลักษ์ขึ้นมาอีกแล้วแต่ไม่เที่ยงแต่เป็นธรรมที่ควรจเจริญไหมทานกุศลไม่เที่ยงแต่เป็นธรรมที่ควรจเจริญเนอนะไม่ใช่โลภะโทสะโมหะไม่เที่ยงใช่ไหมแต่เป็นธรรมที่ควรละทีน่ะไม่ท้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงควรละหรือควรจเจริญ แล้วทำไมไม่ละให้มันเกิดอยู่เนี้ยอันเนี้ยเขาเราียกว่าไม่รู้จากอันนี้จังทุกอนาตาว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญเข้าใจไหมสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกอนาตาเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งควรละสิ่งหนึ่งควรจเจริญ น, นี่ต้องชัดเจนตรงเงี้ยถ้าไม่ชัดเจนหนึงนี้เราจะเข้าถึงคําสอนไม่ได้นะเขาโอกาสทามีนักศึกษาเขียน เขียนคำถามมานะคะแต่เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของทานนะคะว่าจะจัดการกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อย่างไรโอ้โหน่าคิดมากแล้วถ้าจากนี่ปรึกษาอาจารย์มีใัยได้เลยนะเลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจัดไว้เพื่อตอนเองเนี่ยควรจัดเท่าไหร่อย่างไรค่ะประการที่สามถ้าน้อมนำที่จะบริจา หรือเมื่อยกให้กับลูกหลานไปแล้วเราจะวางใจในทรัพย์อย่างไรในขณะที่เรายัางมีชีวิตอยู่โอ้โหตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ อ, อ, อย่างนี้นะว่าคือถ้าพูดถึงในเรื่องของฐานภพอุสลเนาะประเด็นคือถ้ายังมามาก็จะคิดเหมือนอนาถาปิฎกเศรษฐีคิดเหมือนนางวิสาขามหาบาสิกาเนาะ แต่แต่ถ้าหากว่าอันนั้นถึงความคิดของไบยะท่า น, นทีนี้ถ้าเรามองว่าเรื่องการจัดสรรทรัพย์เนภาษาสดาสอนไว้แล้วเออพระรเจ้าบอกก็ดูก่อนคอเครื่องหาบดีทั้งหลายเครื่องฮาบอดีบอกว่า อริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ใช่ไหมสแสวงหาทรัพย์มาโดยชอบธรรมใช่ไหด้วยกวานขวัญขวายอาบเหงื่อตางน้ำได้มาด้วยความชอบธรรมแล้วใช่ไหมหนึ่งเลี้ยงตนให้เป็นสุขเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบุตรบริวารเป็นต้นบ่าวลระให้เป็นสุขใช่ไหม อันนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการหาทราบข้อแรกอย่างนี้เป็นต้นมีอยู่ห้าข้อไล่ไปตามลำดับนะจนถึงทีกรรมห้าอย่างสงเคราะห์ญาติต้อนรับแขกบำรุงราชาการทำบุญอุทิศให้กเทวดาทั้งหลายแล้วก็ต่อมาก็คือว่าอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายส่วนนี้จนในรายละเอียดเดี๋ยวมาจะรายละเอียดอีกทีนะเดี๋ยวรายละเอียดจะยาว ในข้อที่ห้าก็คือว่าประดิษฐานไว้ในทักขินยะบุคคลคือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสม์ใช่ไหมเป็นต้นถ้าเราทำจัดสรรไว้ห้าประการนี้ถ้าทรัพย์มันจะหมดไปเออประการอีกประการหนึ่งก็คือว่าือป้องกันป้องกันทรัพย์ที่จะวิบัติเพราะเจรภัย อุโทโกภัยวาตภัยราชภัยอัคขีภัยหรือก่ทายาทที่มีดีทั้งหลายที่จะมาประทุษาลายทรัพย์แล้วก็ข้อสุดท้ายก็เนี่ยกรณีที่บอกว่าปฏิสถานไว้ในทักขินในยะบุคคลในศาสนาของพระชิ น, นาเจา้าเวนโดร์เนี่ยนะที่ถ้าเราทำครบห้าประการนี้ส่วนรายละเอียดนั้นมันจะยาวเดี๋ยวมามีเวลาแล้วจะค่อยว่ากันตอนที่มีเวลามากครบห้าประการแล้วทรัพย์หมดไป อริยส า, าวกก็ไม่เสียใจเพราะเราได้ทําหน้าที่บริบูรณ์แล้วแต่ถ้าทําอย่างนี้แล้วทรัพย์มันจะเพิ่มพูนขึ้นมาท่านก็ท่านก็ไม่ได้เสียใจเพียงแต่ท่านว่าชื่นใจโดยตามไปว่าท่านจะได้ต่อบุญท่านไปเรื่อยๆฉะนั้นการที่บอกเลี้ยงตนให้เป็นสุขเลี้ยงพ่อแม่บุ י ามารดาเให้เป็นสุขนั้นเป็นทานกุศลท่านหมดเลยนะ ท่านทาทุกอย่างเป็นทานอกุศลเพราะท่านเข้าใจวัตถุกรรมวัตถุธรรมนี่ยดินได้ได้กล่าวแล้วก็ท่านก็ประดิษฐ์ถานไว้ดีแล้วในภาษาศาสนาท่านจัดสรรไว้ห้าประการในรายละเอียดซึ่งเยอะและถ้าเนี้ยทรัพย์เพิ่มพูนขึ้นมากๆก็แปลว่านั่นก็คือการปฏิบัติของท่านบริบูรณ์ฉะนั้นทรัพย์เนี่ยมีไว้จะหมดหรือจะเพิ่มพูนมันก็คือแค่ทรัพย์แต่ประโยชน์ของทรัพย์อยู่ตรงที่ว่าเราใช้สอยให้เกิดประโยชน์เป็นนั่ยนั่นเอง แต่ไม่ใช่มีไว้เพื่อการยึดติดห่วงแหนเลือมมันอนกอดแล้วตายไปกับมันนี่ส่วนจริงเราก็เจ็บปวดกับมันทั้นท่านบอกวิธีการจัดสรรทรัพย์ให้ถูกต้องอันนี้ในรายละเอียดก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกที อ, อันนี้แบบครับขอโอกาสอีกข้อหนึ่งอาจจะสั้นๆก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วคำถามสรุปประเด็นได้ว่าถามว่าเจตสิกเนี่ยมีห้าสิบสอง่ คำว่าเจตสิกศีเนี่ยอยู่ในไหนของอเจตนาศีลอยู่ในอะไรของเจตสิกห้าสิบสองอ๋อยโยบอนอุ่นถามได้ดีเนาะคืออย่างนี้เจตนาเจตนาเจตสิกศีที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยนะถ้าเจตนาศีใช่ไหมใช่ค่ะเ จ, เจตนาศี น, นั้นกล่าวถึงอย่างนี้พูดต้มแยกถ้าหมายถึงตัวกุศลศีลค่ะหมายถึงเจตนา เจตนาศีลที่อยู่ในมหากุศลเจตนาที่อยู่ในรูปกุศนอรูปกุศลและวก็โลกุตระกุศลนั่นคือเจตนาศีลฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมาพยายามจะขยายให้ถึงจริงชั้นโลกรุตระแม้ว่าพูดตรงนี้แล้วถ้ากินเวลาหน่อยไม่ว่าเนี่ยไม่ว่าเลยแม่มาก็เกรงใจเรื่องการจะกกาาาามว่เพราะว่า คือต้องการเชีให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไอตัวเจตนาศีลเนี่ยมันว่าจริงๆกินความไปแค่ไหนคือถ้าเราศึกษาคำสอนเนี่ยถ้าเรามองให้ทะลุอันนี้เออท่านที่ในชั้นของคำสอนอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นี่ไม่ได้ไว้ว่ากันนะก็อาจจะอาจจะไปคิดพิจารณาว่าเออทำไมทาไมเราฟังตรงนี้จะเข้าใจหรือไม่อะไรต่างๆนี้นะ แต่ถ้าเยอะก็จะเป็นประโยชน์อย่างนี้ก็คือว่าการละซึ่งปาณาติบาตเป็นประหาหนาศีล น, นะการงดเว้นจากทําเป็นเครื่องงดเว้นจากปาณมาติบาตเป็นวิระเป็นเวรวิระตีศีลเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อปาณาติบาตชื่อว่าเจตนาศีลใช่ไหมสังวรคือการปิดทวารที่เข้าไปของปาณาติบาต ก็คือการปิดทวารตาหูจมูก ok ลิ้นกายใจไม่ให้ปานาติบาตเข้าไปสู่กระแสใจไม่ให้การฆ่าศาสตร์เป็นต้นเนี่ยเข้าไปสู่กระแสใจชื่อว่าสังวรศีลทำเป็นเครื่องไม่ก้าวล่วงสภาวะธรรมที <t> ่เป็นเครื่องไม่ก้าวล่วงจากปานาติบาตเป็นต้นเป็นอวีติกามศีลอวีติกามศีนั้นกล่าวถึงกุศลจิดุบบาตที่เป็นเหตุแห่งการไม่ก้าวล่วงปานาติบาตอทินาทางเป็นต้น ศีลทั้งหลายมีสภาพอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนแล้วก็เป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนก็เป็นไปเพื่อปลาโมดปลาโมดก็เพื่อประโยชน์แกปีติปิติก็เพื่อประโยชน์แกปัสสธิปัสสธิก็เพื่อประโยชน์แกความสุขความสุข <Dodge> ก็เพื่อประโยชน์แกอาเสวนะศีลทั้งหลายอาเสบบ่อยๆเนี่ยอาเสวนมีสภาพอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ ย่อมเป็นไปเพื่อการกระทําไม่มากย่อมเป็นไปเป็นเครื่องประดับและเป็นไปเพื่อปริขาระเครื่องประดับของกุศลธรรมชั้นสูงเป็นบริขารของกุศลธรรมชั้นสูงย่อมเป็นไปเพื่อแวดล้อมเพื่อสมบูรณ์เพื่อความเบื่อหน่ายในวัตะโดยส่วนเดียวเห็นไหมศีลเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวัตะโดยส่วนเดียวเป็นไปเพื่อคลายราคะในวัตะเป็นไปเพื่อนิโรธก็คือความดับความสงบต่อวัตะ เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตัดสรู้เป็นไปเพื่ออมตะภนิพานเป็นต้นทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นว่ า, วาการละกามฉันทะด้วยเนเ ข, ข ม, มะเป็นปานาสีนไหมเป็นไม่เป็นถ้าการละปะนาธิบาทเป็นปหานาสีนใช่ไหมถ้าการละอัทินาทานก็เป็นปหานาสีลการละ การเมสุมิชฌาจาร์มุสาวาตปิสนาวาจาพุทสวาจาสัมผัส พ, พลาปะเป็นปหานศีลหมดเลยแล้วการละเอาพิชาก็เป็นปหานศีลการละพยาบาทก็เป็นปหานศีลการละนิชฌาทิตฐิก็เป็นปหานศีลถ้าถามบอกว่าเจตนาเจตนาที่เป็นปฏิบักษต่อปานาติบาตเป็นเจตนาศีนไหมเจตนาที่เป็นปฏิบักษต่อธีนาทานเป็น เจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิบัติต่อกามเมสุมิฉาจารก็เจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิบัติต่อมูสาวาจปิสุนาวาจาพุทธสวาจาสัมผัสปลาปะกก็เป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิบักษ์ต่อพิชาก็เป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิบัติต่อพยาบาทก็เป็นเจตนาศีลเจตนาคือความจงใจที่จะเป็นปฏิบัติต่อความเิตผิดก็เป็นเจตนาศีล เจตนาที่เป็นปฏิบัติต่อก ร, รมฉันท์้าเป็นด้วยเนคขม้าเป็นปหานศสีน네์เจตนาที่เป็นปฏิบัติต่อพยาบาทต่อข้อพายด้วยอัพยาบาทเป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิบัติต่อถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาก็เป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิบักษต่ออุท ธ, ธจักคือความฟุ้งซ่าน ด้วยอวิเคปะคือความไม่พู้งซานก็เป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิปัติต่อวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสยัยด้วยการกําหนดธรรมนี่นะก็เป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออวิชานิวร์ด้วยยา น, นะก็ชื่อว่าเจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิปัติต่อความไม่ยินดีด้วยปลาโมดก็เป็นเจตนาศีลเอาสิ เห็นไหมเจตนาสีเนี่ยไปถึงอุปจารสมาธิถ้าไล่ไปตามลำหนักว่าเจตนาเนะี่ยที่เป็นเหตุแห่งการลานีวรนห้าด้วยปฐมฌานเป็นเจตนาสนีว่าไปตามต่อไปไปจนถึงวิปัสสนาญาณไปจนถึงอริยมรรคนี่ยไปถึงอริยมรรคเช่นเจตนาซึ่งเป็นเหตุให้ เป็นเหตุถามว่าเป็นเหตุเป็นปฏิปักษ์ต่อ น, นิจสัญญาด้วยอนิจานุปัสนาชื่อว่าอะไรชื่อว่าเจตนาศีลถามว่าศีลสมาธิปัญญาตัววิปัสนาปัญญาตัวเจตนาศีลตัวสมาธิตัวปัญญาเนี่ยก็าเกิดร่วมกันมแม้ในวิปัสนาเกิดไม่เกิดนี่เป็นอย่างนี้แล้วเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการละสุขสัญญา ด้วยทุกขานุปัสนาชื่อว่าเจตนาสีนะเนี่ยวิปัสนาเดินอย่างนี้และเจตนาที่เป็นเหตุละอัตตสัญญาสําคัญว่าเป็นตัวตนด้วยอนุปัสนนุปัสนุด้วยอนัตานุปัสนาอันนั้นก็เป็นเจตนาศีเห็น ไ, ไหมไล่ไปตามลําดับไปจนถึงอะไรไปจนถึงว่าเจตนาที่เป็นเหตุละซึ่งสัมโมหะหาพินิเวสะ ด้วยยะถาภูดยานทัศนะเป็นเจตนาศีลเจตนาที่เป็นเหตุละซึ่งอารยาพินิเวสะ์ด้วยอาทีนวานุปัสนาเห็นโทษนี่นะของสังขารก็เป็นเจตนาศีลนั้นเจตนาที่เป็นเหตุละซึ่งอปปติสังขารละด้วยปฏิสังขานุปัสนาก็เป็นเจตนาศีลดูทีนีนะ่แม้เจตนาที่เป็นเหตุละกิเลสทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งอันเดียวที่เกิดพร้อมกันกับมิจฉาทิฏฐิ เจตนาที่เป็นเหตุละมิจฉาทิถีที่เกิดขึ้นด้วยโสดาปฏิมากรก็ชื่อว่าเจตนาศีลไปถึงนี่อย่างศีลไปถึงโสดาปฏิมากรนอย่างฉะนั้นในโสดาปฏิมากรมีเจตนาศีลในนั้นไหมมีเจตสิกศีลไหมมีสังวรศีลไหมมีอวิติกรรมศีลไหมมีแล้วก็มีสมาธิที่เป็นที่เป็นที่เป็นจิตวิสุธทธิ แล้วก็มีปัญญาที่เป็นปัญญาวิสุทธิทํารรกิจในการประหารกิเลสศีลสมาธิปัญญาประชุมในขณะจิตเดียวเดียวเจตนาเป็นที่เป็นใบกบกุศลอันนี้ไหนที่นี้กล่าวถึงกุศลนี้กุศลศีลไม่ได้พูดถึงอกุศลศีลและอัพยากตาศีลถ้าไปพูดอกุศลศีลเอาเจตนาในอกุศลอัพยากตศีลเอาเจตนาที่ในมหากริยาและก็กอัิญากต์ไป เป็นของพระอริยะพระอรหันต์ไปพระอรหันต์มีศีลไหมก็จะก็มีทั้งท่านเป็นอภิญากตศีลไม่ใช่อกุโสรศีลแล้วก็ไม่ใช่กุโสรศีลอย่างนี้นะอันนี้รายละเอียดอยู่ในปฏิสัมพิธามาร์กตอไปอยู่ในปฏิสัมพิธามาร์กทั้งอจักกถาทั้งดีกาปฏิสัมพิธามาร์กและในวิสุทธิมาร์กเป็นต้นเหล่านี้ด้วยนะก็ไปดูรายละเอียดอันนั้นต้องใช้เป็นหลักสูตรต้องอธิบายด้วยบางทีนนก็เป็นหัวข้อสั้นๆแล้วต้องเชื่อมโยงหลายหลายที่นะ ก็อาศัยนุ่นท่านอาจารย์มีชัยช่วยขยายให้เราไม่ยากเลยเพราะท่านยังแข็งแรงแเดี๋ยวมาไม่ค่อยแรงกันแล้วกราบธรรมสการกราบข อ, อกราบพระอาจารย์กราบขอบพระคุณในความเมตตาพวกเรากราบพระอาจารย์นะคะพร้อมกับน้องกายวาจาใจในการขอขมากรรมด้วยกันเพราะว่าในระหว่าง และเวลาอันยาวนานในการฟังธรรมเราอาจจะมีเจตนาใดที่ล่วงไปในเจตนาที่เป็นอกุศลต่อหน้าพระรัตนตรัยนะคะต่อพระธรรมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้น้อมกายวาจาใจขอเข้ามาในเวลานี้นะคะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในการสํารวมระหว่างในการต่อไปกราบค่ะกาเยนะวาจายวเจตสาวะ พุเทเธกุกรมมังปกตังไมายายังพุโทโภปฏิคันหตุอัจจัยยนตังกาลันตะเลสังลวิตุว่าพุเทเธกาเยนะวาจายาวะเจตาสาวะทำเมกุกรมมังปกตังไมายายังทำโมปฏิคันหตุอจจัยยนตังกาลันตะเลสังลวิตุว่าทำเม กาเยนะวาจายะวเจตสาวาสังเคกุกรร ม, มังปกตังไมยายังสังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังลาวิตุงวะสังเคกราบลาพระจาย์พร้อมกันคะะ่ะตราพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราตราพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา รพระสงฆ์้าเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา